นี่ในข้อ496ร้อยเก้าสิบหกหน้าสองแปดสิบอ็ดพระมหากรธิตาก็ถามต่อไปอีกว่าท่านภาษารีบทก็มโนวิญญาณเนี่ยนะมโนวิญญาณที่สละหมดจดแล้วด้วยอินรี่ห้าเนี่ยนะนำอะไรมาตรงนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าลงละเอียดเรื่องฌานระดับสูงเลยนะถ้าเป็นความคิดที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความคิดเหล่านั้นนำอะไรมา ความคิดที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกของการเห็นความคิดที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกของการได้ยินโลกของการรู้กลิ่นโลกของการรู้รสโลกของการรับกระทบสัมผัสความคิดตัวนั้นนำอะไรมาภาษารีบทก็ตอบว่าอาวุโสมโนโวิญญาณที่สละหมดจดแล้วด้วยอินสีห้าพึงนำอากาสานัญจายตนะการบริกรรมที่ว่าอากาโอนันโตอากาศไม่มีที่สิ้นสุดมา มันไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ห้าก็นํามาซึ่งวิญญาณจัญญาอัตนะที่บริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดมาถ้ามโนวิญญาณที่สละอินทรีย์ห้าแล้วก็นํามาซึ่งอากินจัญญาอัตนะนาทีเกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉนั้นก็แสดงว่าอารูปประชามทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปประชานเนี่ยนะยังเกี่ยวข้องกับตากับหู รูปประฌานถือว่ายังเกี่ยวข้องกับตาและหูพรหมทั้งหลายมีมีตากลับมีหูพอรูปประพรหมเนี่ยพ้นจากตาหูจมกูกเล่นกายมนุษย์ของเราเนี่ยเอามาหมดเลยนะทั้งตาหูจมกูกเล่นกายเนี่ยรวบมาหมดแนหะในปัญหาที่พูดถึงย้อนกลับมาในปัญหาที่แปดเนี่ยนะแล้วก็อัตกถาอธิบายถึงสัญญาเวทนาและวิญญาณเนี่ยนะ ขอภายสัญญาวิญญาณและก็ปัญญาเนี่ยนะจริงๆมันจะมียาอยู่ข้างหลังหมดเลยใช่ปัญญาสัญญาวิญญาเนี่ยหรือวิญญาเนี่ยนะเรียกว่าความสัญญาก็คือรู้จำใช่วิญญาณรู้แจ้งปัญญารู้ชัดในอัตตกทาหน้อยห้าเนี่ยนะย่อหน้าว่ามันแตกต่างหรือไม่แตกต่างอันดับแรกเนี่ยนะก่อนว่าสัญญา วิญญาณปัญญามันต่างเฉพาะคํานําหน้านะคือยาเหมือนกันออเนี่ยอยหญิงสะอาเนี่ยยาเหมือนกันถ้าสังนําหน้าสังอุปสรรคนําหน้าเรียกว่าสัญญาเอานิยมเตเป็นยะเนี่ยนะซ้อนเข้าไปถ้าปัญญายาก็เหมือนกันถ้าปะนําหน้าเขาเรียกว่าปัญญาถ้าวินําหน้าเขาเรียกว่าวิญญาหรือว่าวิญญาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสามคำเนี่ยมีแต่อุปสรรคแต่ว่าตัวยาเนี่ยแปลว่ารู้เหมือนกันนะ ตัวยาแปลว่ารู้เหมือนกันนะรู้แบบสรนรู้พร้อมสัญญาเนี่ยแปลว่ารู้พร้อมวิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้วิรู้แจ้งปัญญาแปลว่ารู้ชัดเนี่ยนะรู้ทั่วเหมือนกันเถอะก็ยกตัวอย่างว่าอนุภาพของสัญญาเนี่ยนะอนุภาพของสัญญาบอกว่าข้าพูดจากความต่างนะสัญญาเนี่ยศักด์แต่จํารู้อารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นไม่สามารถที่จะทะลุถึงอันิีจังทุกขังแล อนัตตาถ้าอยู่ในวิสัยของสัญญาเนี่ยนะเพราะสัญญาเนี่ยมันก็จําได้อย่างมากก็อยู่ในวิสัยของกสินเพราะฉะนั้นกสินทั้งหลายมันจะมานสิการกสินว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิสัยของวิญญาณเอ่อสัญญาเนี่ยนะก็ยังอยู่จําหมายอยู่ได้แต่เฉพาะในอารมณ์เท่านั้นว่าสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงน่ยนะแล้ววิญญาณอะ วิญญาณเนี่ยรู้ทั้งโดยสัญญาด้วยรู้ในแนวสองสัญญาด้วยและก็รู้แจ้งแทงตลอดในอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยแต่ตัววิญญาณไม่ใช่มัดเพราะฉะนั้นตัววิญญาณเนี่ยไม่ให้สำเร็จมัดโดยตัวของวิญญาณเองเนี่ยไม่ทาให้สำเร็จมัดส่วนความรู้แจ้งคือปัญญาเนี่ยรู้ทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงรู้ทั้งวิญญาณอนุภาพของวิญญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาและขวนขวายให้ถึง ระดับอริยมรกุด้วยเพราะฉะนั้นขอบเขตอของสัญญาเนี่ยนะตัวอลำพังสัญญาทั่วไปนี่อยู่ได้แค่สำคัญหมายในสีเขียวเป็นต้นวิญญาณรู้ถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ปัญญานี่ถึงอริยมรดนี่นะเปรียบเหมือนอย่างว่าเราเอากระหาปณะมากรองไว้บนแผ่นกระดานของเหรันยิกเนี่ยนะเรียกว่าอากรหาปณะมาเนี่ย สามคนก็คือเด็กที่ยังไม่มีความรู้อะไรแต่ก็มีตานะก็ะว่ายังไม่รู้การซื้อการขายอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ชายชาวบ้านแล้วก็เฮียรันยิกใหญ่เจ้าหน้าที่การเงินเลยมาดูเด็กที่ไม่มีความรู้ก็รู้เพียงแต่ความวิจิตงดงามสี่เหลี่ยมหรือกลมของกหาปณะนะเนี่ยนะ แต่ก็ไม่รู้ถึงขนาดว่ามันมีมูลค่ามีราคาเขาไว้ซื้อไว้ขายอย่างไรเนี่ยนะคือเด็กเห็นแหละเห็นเด็กเออดูสวยดีนะอะไรดีเนี่ยเด็กทั้งหลายก็รู้จักสตังก็รู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าจริงรู้แทหรือว่าปลอมเป็นต้นเนี่ยนะซื้อขายกันยังไงอะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เนี่ยนะก็อาจจะจริงอ่ะนะนึกถึงครั้งที่แล้วเนี่ยไปกับเด็กคนหนึ่งแล้วก็ก็มีโยมให้สตังไว้ให้กับเด็กนะเด็กติดตามพระเขาก็ให้ไว้เป็นเป็นเงินดอลลาร์เนี่ย เงินดอลลาร์นั้นเขาก็เป็นธนาบัตรใบและดอลลาร์เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะ, ะเด็กคนนี้ก็นนก็นึกว่าบาทเดียวยนะก็ซื้อน้ำใบละบาทขวดละบาทขวดละบาทเนี่ยนะก็คือบาทดอลลาร์นก็เลยซื้อกลาวว่ า, ว า, นาเนี่ยควักไปห้าใบในได้น้ำมาห้าขวดเนี่ยนะ ก็ถามว่าหมดไปหมดไปหาล้วละก็คือเพราะอะไรเพราะเขารู้จักแต่ว่าเออมันเลขหนึ่งะนะแต่ว่ารายละเอียดมันมูลค่ามีราคาซื้ออะไรเท่าไรอย่างไรไม่รู้อะเนี่ยนะอันนี้ ก, ก็ลักษณะของเด็กก็จะรู้ได้แค่นั้นอะบางทีมันก็รู้ถึงการซื้อการขายแต่ถ้าชาวบ้านผู้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ยิ่งกว่านั้นรู้ว่าซื้อขายมีมูลค่ า, า, คายอย่างไรมีราคายังไงแต่ก็ไม่สามารถวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งว่าปลอมหรือแท้หยาบหรือละเอียดเนี่ยนะ ก็ไม่ถึงขนาดไม่เหมือนกับเฮรันยิกผู้ใหญ่เนี่ยนะเฮรันยิกผู้ใหญ่เนี่ยรู้ถึงความวิจิตรรู้กันรู้ด้วยว่าปลอมหรือแท่เนี่ยนะรู้ดูก็รู้ฟังเสียงก็รู้ดมกลิ่นก็รู้ลิ้มรสก็รู้หยิบด้วยมือน้ําหนักที่มือนี่ก็รู้แล้วรู้ด้วยนะว่าผลิตที่หมู่บ้านตําบลอําเภอจังหวัดผลิตมาจากภูเขาไหนแล้วอาจารย์คนไหนเขาผลิตมาเนี่ยนะเขารู้ขนาดนั้น ก็บางทีนั่นก็มีโรงงานบางโรงงานรับจ้างอะก็ะไรปั๊มเหรียญให้ให้บางประเทศอย่างเงี้ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นโรงงานต่างประเทศอย่างของเราก็เป็นโรงงานกระสาบใช่โรงงานเหรียนกระสาบของกรมธนารักษ์เนี่ยเขาก็จะปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัญญาจึงเปรียบเหมือนกับเด็กวิญญาณเปรียบเหมือนกับชาวบ้านแล้วก็ปัญญาก็เปรียบเหมือนกับเฮรันยิกผู้ใหญ่ผู้ชํานาญในด้านการเงินฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าส่วนความแตก จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจยากเหมือนกัน น, นะใครว่าแทงตลอดได้ยากแม้สมมุติว่าในเรื่องอารมณ์เดียวกันเนี่ยนะโอ้นี่ปัญญาอันนี้สัญญาสมมตินะโอ้นี่สัญญานี่วิญญาณนี่ปัญญาในสิ่งเดียวกันยากที่จะแยกได้ยากยากจริงเพราะฉะนั้นพระ พ, พ, พระพระนาคเกษณจึงชื่นชมพระพุทธเจ้าให้พระเจ้ามีลินฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําสิ่งที่ทําได้ยาก พระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรที่เรียกว่าทำได้ยากทำได้ยากพระพุทธเจ้าทําอะไรจึงชื่อว่าสิ่งนั้นอะทำยากพระนาคเกษก็ตอบว่ามหาบาพิษสิ่งที่ทําได้ยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทําไว้แล้วก็คือข้อที่ทรงบอกการกําหนดสิ่งที่เป็นจิตและเจตสิก ค, คือทั้งจิตและเจตสิกไม่มีรูปร่าง ท, งทั้งทั้งที่เกิดในอารมณ์เดียวกันพระพุทธเจ้าบอกเลยวันนี้ผัสสะ นี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้จิตนะในอารมณ์เดียวเนี่ยเช่นมีตามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยอาศัยจากคู่กับรูปเนี่ยนะเกิดจากคูวิญญาณจากคูวิญญาณนี่พระองค์จำเนกออกได้เลยวันนี้ผัสสะนี่เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้จิตอะไงี้ยน่ยคือใครที่ทั่วๆไปจะมาแยกก็ไม่จะแยกง่ายๆนะ แม้ใครจะบอกเห็นต่างอย่างลิบลับเป็นต้นน่ะคือพูดอย่างนั้นน่ยค่อนข้างจะพูดยากถ้าในวัตถุเดียวกันอารมณ์เดียวกันอาวัชชะเดียวกันวิธีเดียวกันยากที่จะวินิจฉัยได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในในระบบของวิปัสสนาในพระสูตรจึงไม่แจกละเอียดเคยแจกไหมเจตสิกมีกี่ดวงในเนี่ย ก็ยังมากก็บอกจิตที่ประกอบด้วยราคะจิตที่ประกอบด้วยโทสะจิตที่ประกอบด้วยโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตที่เราก็ไม่หดหูไม่ฟุ้งซ่านจิตเป็นมหักตาไม่เป็นมหักตาพราะองค์ไม่แจกเจตสิกละเอียดยิบในในในตัวจิตเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งธรรมานุปัสสนาที่แจกเจตสิกก็แจกไม่กี่อยา่าง เงี้ยนะแจกไ ม, ม่กี่อย่างแจกอะไรแจกนิวรณกับแจกโคชงนั่นแหละคือเจตสิกทั้งหลายแจกอยู่ไม่กี่อย่างโน่ น, นพระสู่ที่แจกเจตสิกละเอียดคือพระสู่ที่ปัญญาภาษารีบุตรว่าในจิตหนึ่งดวงเนี่ยมีจเจตสิกอะไรแต่ก็ไม่ได้จำแนกละเอียดจนถึงขนาดเรียกว่ากุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเจตสิกเกิดห้าเอ 5, เอสามสิกประดวงอะไรเงี้นะไม่โดยมากไม่จําแนกกันขนาดนั้นเนี่ยนะคือเราต้องต้องพยายามศึกษาโดยที่เข้าใจว่า สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนกันยังไงพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วผู้ฟังทั้งหลายเขาฟังอะไรฟังแล้วเขาไปคิดตามอย่างไรเนี่ยนะพวกโจทย์เหล่านี้เราต้องตั้งเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเรียนนะหลงประเด็นไหมก็าถามว่าอย่างเนี่ยอย่างสัมปติชนนะเนี่ยมิยูในพระไตรปิฎกไม่กี่ศัพ์หรอกแล้วเราเอาเป็นเอาตายก็ศัพท์ว่าสัมปติชนนะเราไม่ป่วยแย่หรือเหมือนกันนะสมัยคือเขามาว่านะวิธีเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเรียนไม่ยากอะไรที่เขาพูดบ่อยนะจํามันนั้นแหละไว้ดี ถ้าไม่สำคัญจริงเขาไม่พูดกันบ่อยๆอันไหนที่เรียกว่า 100, 000, 000, ร้อยวันพันปีมาเจอจุดสาบเดียวเนี่ยนะ โอ้นะไม่ต้องสังเกตหรอกแสดงว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรหรอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ไอเรื่องหยับหยาบใหญ่ๆที่ท่านต้องการบอกอย่านันนะ้พยายามกําหนดจดจําอันนั้นแหละให้มากมากอันนั้นแหละเอาไปใช้ได้เลยเอาไปปฏิบัติได้เลยถ้าดีจริงอะไรสําคัญจริงท่านจะเน้นแล้วเน้นอีกพูดแล้วพูดอีกถ้าอะไรไม่ค่อยดีจริงไม่ค่อยมีประโยชน์นะพูดครั้งเดียวเนี่ยนะบางทีทั้งประไตรปิฎกมีอยู่สูตรเดียวอย่างนั น, นะบางประเด็นเนี่ยเราต้องพยายามจับว่าสมัยนั้นอ่ะเขาพูดอะไรกันมาก เนี่ยนะก็แสดงว่าอันไหนที่เขาเอามาใช้มากแสดงว่าอันนั้นเขาเขาเจริญได้ดีได้มากอันไหนสำคัญมากนั่นแหละพระอานอนท์เป็นต้นท่านจึงเอามาแสดงกันมากหักอะไรที่ไม่ค่อยพูดมากเนี่ยนะไม่ต้องไปหนักใจหรอกเช่นเช่อนอะไรบ้างอะเจตสิกหลา ย, ลายอย่างเนี่ยนะที่เรายังเข้าใจยากๆก็บอกโอ้ไม่ต้องไปไม่ต้องหนักใจหรอก ก็สมัยก่อนเขยังไม่ค่อยคุยกันเลยเนี่ยนะไม่ค่อยเอามาพูดคุยกันเลยเอาให้ที่เขาพูดคุยกันเยอะๆนี่แหละมาเรียนแล้วมันไม่ยากเลนะพราอมจะมีคาําอธิบายเยอะแยะไปหมดอย่าไปเรียนสกัดจุดมันเข้าใจยากมันไม่รู้ไอ้ á, ไม่รู้นะมันจะป่วยตายขนาดนั้นเลยหรือบางทีเนี่ยนะทีเอาเป็นเอาตายถ้าถามออกมาของมาบางทียังถามง่ายง่ายเลยเอาคุณรู้แล้วคุณจะฉลาดยังไงขึ้นบ้างเอาคือถ้ารู้แล้วคุณจะบรรลุเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะเข้าใจคําตรงนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยเอาเป็นเอาตายกับสับไม่กี่ศัพบหรอกบางที ก็เลยอดเรียนในสิ่งที่มันดีๆมีประโยชน์เลยเพราะม่นั่งปวดหัวกับสองสามคำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันสําคัญสําคัญหลักๆ ก, ก็จำอันนั้นก่อนและอันละเอียดละเอียดเดี๋ยวมันค่อยๆเข้าใจเองนั่นแหละบางทีไปจําไอ้ที่ละเอียดยิบเนี่ยนะอย่างเครียกว่ากฎเกณฑ์ที่เรียกว่าแมพพวกที่จําได้เนี่ยพวกนั้นอยู่กับแบบเรียกว่าอยู่วงการนี้จนตั้งแต่ผมอ่อนๆจนถึงผมแข็งหยาบกระด้างหมดแล้วก็ยังไม่ค่อยจะจําได้เลยนะ ขนาดเขายังไม่ค่อยสนใจแล้วเข้ามาใหม่ๆนี่สนใจคือต้องพยายามอย่าหลงประเด็นเนี่ยนะอย่าหลงประเด็นเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเด็กเด็กอ่อนเนี่ยนั้นเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยเข้าเรียนอนุบาลเนี่ยครูคงไม่สอนเรื่องอะตอมหรอกมั้งบางที <c oughs> น ะ, นะ <c oughs> ว่าปัญหาบางอย่างในจิตเจตสิกมันละเอียดกว่าอะตอมอีกเนี่ยนะ คือบางอย่างมันบางอย่างที่เรายังไม่รู้บ้างก็อย่าเพิ่งหนักใจเลยก็ผ่านตาผ่านหนูไปนานๆเดียวมันก็คุ้นเคยเองแหละไม่ต้องไปหนักอกหนักใจปวดหัวเนี่ยนะบางคนก็บอกโอ้ยมันจะจําให้เท่าคนพูดบอกโอ้ยเขามาพูดจบเลยยังจําไม่ได้หรือบางทีเนี่ยนะต่ <laughs> ะะไปอะไรเนี่ยนะยังนึกเออเดี๋ยววันหลังได้มาพูดใหม่เผื่อจะจําได้บัง่งบางทีก็พูดจนกว่าจะจําได้ เห็นน่าหนักใจอะไรเลยจำไม่ได้ก็เป็นบุญได้ฟังได้ไดอ่านเรียนรู้ก็เป็นบุญแล้วเนี่ยนะมันไอ้ตรงไหนที่เขาอยากให้เราจาําน่ยเอาตรงนั้นเป็นหลักนะแล้วเราเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมันค่อยๆเข้าใจเองแหละขอให้มันได้สิ่งที่มันห ย, ยาบๆก่อนละเอียดละเอียดมันก็ค่อยๆได้ไปเองแหละนะอย่าไปคิดอะไรที่ชนิดที่จะสกัดจุดอ่อนของตัวเองอะนะฉันไม่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉันเลิกเรียนดีวกว่าอย่างเงี้ยเหตุผลง่ายมากเลยนะบางคนก็บอกอุ้ย ฟังเนี่ยใครจะไปฟังรู้เรื่องไปหมดมเข้าใจไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นนี่นะจะฟัง พ, พสสระสดุรู้เรื่องจริงมันต้องเรียนอภิธรรมมันต้องเรียนบาลีพอไปเรียนอภิธรรมอีกโอ้เป็นยากเกีนก็เลยเลิกไปเลยก็มีบางคนก็บอกโอ้ไปเรียนบาลีไปท่องสีโยอังโยนาหีสนังท่องไปท่องมาโอยเครียดเลิกอีกจบเหกเหมือนกัน นะก็เลยไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยนะ น, นักเข้าทานศีลภาวนาไม่ได้เจริญอะไรสักอย่างฟังทำก่อนเลยฟังมัวแต่ตั้งกติกาตัวเองจนทําไม่ได้เนี่ยนะทำไม่ได้คิดยังว่าจะเรียนวิชาจะไปเป็นศาสตราจารย์อย่างนั้นแหละนะเขบอกบางคนก็แม้จะต้องเรียนให้ละเอียดจะได้ช่วยไปสอนคนอื่นเชื่อเถอะคุณสอนได้มีใครเรียนให้คุณบ้างเอาเถอะเนี่ยนะเขามาพูดขนาดเนี่ยวันนั่งรู้กี่ชั่วโมงคนนั่งฟังให้กี่คนเนี่ยนะคิดดูเออแล้วของเราเนี่ยรู้แล้วจะมีผู้ฟังให้สักกี่คนเจอนะ ไม่เชื่อก็ลองไปอ่านให้คนข้างๆฟังดูเถอะถ้าเขาฟังให้ก็อาจจะใช้ได้เออมีพรสวรรค์จริงเนี่ยนะขนาดคนข้างๆยังเอาด้วยแสดงว่าเราไม่ธรรมดาเนี่ยนะอาจจะเชื่อมือได้นะถ้าขนาดคุยกับคนข้างๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพึ่งหนักอกหนักใจมากเลยอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลก็เจริญให้มันเยอะๆเถอะแล้วจะได้สบายเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องไปป่วยไปไข้มากมายมันก็เรียนแล้วมันจะได้มีปีติมีปราโมทกับเขาบ้างนะ แล้วหลายๆอย่างเราก็ไม่เข้าไม่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดหรอกในทายในทันทีเนี่ยนะเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งเราไปอินเดียเราก็ไม่มีวิวเวลเรื่องราวที่เคยมีอยู่ในสมัยพุทธกาลเลยบางทีมีแต่ภูเขาขี้จกูดเขาหัวโล้นต้นไม้เล็กนิดเดียวเนี่ยนะสวนอัมพรวันหมอชีวกอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยไปเจอแต่ซากอิดก้อนหินเรียงไม่กี่ก้อนเนะ่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะ คือบางเรื่องเนี่ยคือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ปอกโอ้ยเลิกเลยเลิกเลยพอและไม่ใช่แต่หมายคาว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นหลักแล้วก็ประเด็นรองเนี่ยนะอันไหนที่มันเรียนแล้วเราไม่ต้องไปปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดท้องอืดต้องเฟ้อเนีนะ่ยเครียดจัดเนี่ยนะคือคืออันไหนที่เรียนแล้วก็มีความสุขเรียนแล้วก็สบายใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะก็แค่นั้นก็เป็นบุญแล้วเนี่ยนะนะนะแล้วเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นเองแหละถามว่าเอาแล้วจะจะรีบเรียนให้มันจบเร็วๆถ้ามันจบเร็วขนาดนั้นก็ มันบรรลุการเร็วกันหมดแล้วเนี่ยนะ